142ทุลยจายะวัตถุกาทิว่าด้วยการต้องอบัตทุลยใจเป็นต้นเรื่องต้องอบัตทุลจใจเป็นต้นข้อสองริกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ในวันปวารณานั้นภิกษุต้องอบัตทุลจใจภิกษุบางพวกมีความเห็นว่าต้องอบัตทุลจัยบางพวกมีความเห็นว่าต้องอบัตสังคาทิเศษภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุที่มีความเห็นว่าต้องอบัติทุลใจพึงนำภิกษุนั้นไปหนะ้าที่อันควรปรับอาบัติตามธรรมแล้วเข้าไปหาสงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายอาบัติที่ภิกษุนั้นต้องภิกษุนั้นได้ทําคืนตามธรรมแล้วถ้าสงพร้อมกันแล้วสงพึงปวารณาภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ในวันปวารณานั้นภิกษุต้องอบัติทุลใจภิกษุบางพวกมีความเห็นว่า ต้องอบัตทุลจัยบางพวกมีความเห็นว่าต้องอบัตปาจิตตีบางพวกมีความเห็นว่าต้องอบัตทุลจัยบางพวกมีความเห็นว่าต้องอบัตปาติเทสนิยะบางพวกมีความเห็นว่าต้องอบัตทุลจัยบางพวกมีความเห็นว่าต้องอบัตทุกกฎบางพวกมีความเห็นว่าต้องอบัตทุลจัยบางพวกมีความเห็นว่าต้องอบัตทุพภาษิทิภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่มีความเห็นว่าต้องอบัติทุลใจพึงนําภิกษุนั้นไปที่อันควรปรับอบัติตามธรรมแล้วเข้าไปหาสงฆ์กล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายอาบัติที่ภิกษุนั้นต้องภิกษุนั้นได้ทําคืนตามธรรมแล้วถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วสงฆ์พึงปวรารณาภิกษุทั้งหลายอนหนึ่งในกรณีนี้ในวันปวารณานั้นภิกษุต้องอบัติปารจิตตีต้องอบัตปารติเทสนิยะต้องอบัติทุกกดต้องอบัตทุกภาสต ภิกษุบางพวกมีความเห็นว่าต้องอบัตทุภาสิทธิ์บางพวกมีความเห็นว่าต้องอบัตสังคาทิเศตภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุที่มีความเห็นว่าต้องอบัตทุพพาสิตธิ์พึงนำภิกษุนั้นไปหน้าที่อันควรปรับอบัตตามธรรมแล้วเข้าไปหาสง์กล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายอาบัต ท, ที่ภิกษุนั้ น, นต้องภิกษุนั้นได้ทําคืนตามธรรมแล้วถ้าสงพร้อมก็แล้วสงพึงปรวาณาภิกษุทั้งหลาย อันหนึ่งในกรณีนี้ในวันปวารณานั้นภิกษุต้องอบัติทุพัสสิตธิภิกษุบางพวกมีความเห็นว่าต้องอบัติทุพัสสิทธิบางพวกมีความเห็นว่าต้องอบัติทุลเจบางพวกมีความเห็นว่าต้องอบัติทุพัสสิทธิบางพวกมีความเห็นว่าต้องอบัตตปาจิตตีบางพวกมีความเห็นว่าต้องอบัติทุพัสสิทธิบางพวกมีความเห็นว่าต้องอบัตตปาฏิเทศนิยะบางพวกมีความเห็นว่าต้องอบัติทุพัสสิทธิบางพวกมีความเห็นว่าต้องอบัติทุกฏ